อาราจารย์อาจารย์และธนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวทยาลัยสงแจ่วันนี้เป็นวันครูซึ่งต้องถือเป็นสิริมงคลของเราทุกคนตามประเพณีไทยเนี่ยเมื่อเราไหว้ครูนะ เราไม่ได้ไว่าแต่เพียงเฉพาะครูที่เราได้พบเห็นหรือครูที่ประสิทธิ์ประสานวิชาวความรู้แกเราโดยตรงเท่านั้นแต่ว่ายังระลึกไปถึงครูที่สืบสายก่อนหน้านี้ไปนะจนกระทั่งไปถึงบุคคลซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นเทพเช่นถ้าวิชาวความรู้ทางด้าน การช่างหรือศิลปะก็จะสื่อสารไป่า ง, งภาพที่คะเนนหรือว่าครูที่หรือว่าผู้ที่ทำที่เป็นนักดนตรีนะเวลาเขาไหว้ครูเขาก็จะระลึกไปถึงครูที่บนันทึหาชีวิตไม่แล้วซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นเป็นเทพ อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะเพื่อชี้เห็นว่าถึงสุดแล้วนี่เราไม่ได้ไหว้ครูที่เป็นบุคคลแต่เราไหว้ครูที่เป็นจิตวิญญาณหรือว่าจิตวิญญาณในความเป็นครูซึ่งจิตวิญญาณในความเป็นครูนี่แหละที่ทำให้เราแต่ละคนเนี่ยเป็นเศรษมีครูสมัยที่คาว่าเศรษมีครูนี้มีความหมายต่อ นักศึกษาแขนงต่าไม่ทราบแต่ว่าสมัยที่อาตมายังเด็กเนี่ยหรือว่าคนโบราณเนี่ยเวลาพูดว่าสิ่งดีครูแล้วเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกอุ่นใจว่ามีครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่จะปกปักรักษาให้เราดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขเพราะครูนั้นเนี่ย ถ, ถ, ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะแต่ก็จะคอยดูแลปกปักรักษาเราอยูนะ่อันนี้คือความหมายคำว่าศิษย์มีครูไนมะ่ครูในความหมายนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีความลึกความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความลึกล้ํายิ่งกับคําว่าอาจารย์ในสมัยนีนะ้คำว่าอาจารย์ในสมัยนี้อาจจะไม่สื่อให้ ถ, ถึงถึงความรู้สึกแบบนี้มากเท่ากับคําว่าครูในสํานึกของ คนสมัยก่อนหรือว่าในสานึกของคนอย่างรุ่นอันตมาสมัยที่ยเป็นเด็กแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าคำว่าศิล์มีครูทีม่มันมีความหมา ย, ยที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความมั่นใจเน่ยะั้าตมาคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามาไหว้ครูกัน ครูแล้วก็อยากจะให้เราเระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่อาจจะหาชีวิตไม่แล้วแต่ว่าสามารถแต่ว่าได้ประสิทธิ์ปรสานสื่สอทอดความเป็นครูและวิชาวความ ม, มาให้แก่เราสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คําว่าสิทธ์มีครูเนี่ยเป็นคําที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งในทาง จ, จิตใจ ก็พ่อครูสมัยก่อนนั้นเนี่ยหรือต้องเรียวการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาความรู้อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของคุณธรรมและน้ำจิตน้ำใจที่ผดุนแน่นๆเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาความรู้ จงกระทั่งเราสามารถจะพูดได้ ว, ว่าความรู้มันต้องคู่คุณธรรมหรือว่าวิชาทาปราศจากคุณธรรมก็ไม่เรีล ว, ว่าความรู้นะอันนี้เป็นสํานึกของตอนออกตอนตรงนี่แบบตอนตรงนี้ก็จะแยกความรู้กับคุณธรรมออกจากกัน ความรู้นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาการล้วนๆที่เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับจับกรวาลเกี่ยวกับเซลลนะ์ถ้าของพวกเราก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเชื้อวิทยาทางด้านช่องปากเป็นต้นแต่ว่าความรู้ของคนตะวันคนตอนออกหรือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องมีคุณธรรมเข้าไปกำกับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายถึงกระบวนการ ให้วิชาวความรู้ของคนสมัยก่อนด้วยเพราะว่าเมื่อเราสมัยก่อนนี่เนี่ยเมื่อเราจะไปรับวิชาวความรู้เนี่ยเราต้องไปฝากตัวเป็นศิษย์ฝากตัวเป็นศิษย์นะหมายความว่าต้องเข้าไปอยู่ใช้ชีวิตยอยู่กับท่านเช่นเราจะเรียนเราจะเรียนดนตรีเราจะเรียนเกี่ยวเรื่องสมุนไพรต้องไปฝา ก, กเรื่องขตอยู่กับท่านนะ และให้ท่านเนี่ยสอนและได้ศึกษาแบบอย่างแห่งคุณธรรมจากครูบาอาจารย์และสิ่งที่เราได้เรียนและสึมซาบจากครูบาอาจารย์มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องวิชาการล้ว น, วนแต่เป็นเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องของคุณงามความดีที่เราซึมซับ เราได้เห็นว่าค ร, ครูนั้นเนี่ยมีเมตตาอย่างไรต่อศิษย์ครูนั้นเสียสละอย่างไรเพราะต้องไม่ต้องไปรู้ว่าสมัยก่อนเราเวลาไปฝังหรือฝ่าตัวกับเป็นศิษย์กับใครเนี่ยเราไม่มีอะไรมากไปกว่าทูบเทียนะทูบเทียนอาจจะมีเงินเล็กน้อยเท่านั้นเองและนำนําซย์มันต้องไปกินอยู่กับท่านนะไปกินอยู่กับท่าน นะแล้วก็ไปช่วยทํางานให้ท่า น, นเพราะนี่อันนี้คือความมันได้กลายเป็นส่วนของชีวิตแล้วมันก็เป็นครอบครัวนี่คือกระบวนการเรียนรู้ของสมัยก่อนของตอน อ, อ่อนเพราะว่าความรู้มันไม่ใช่เป็นเรื่องวิชาการล้วนๆ น, นะแต่มันมีเรื่องของคุณธรรมซึ่งจะต้องเรียนรู้จากจากครูอันนี้ก็เป็นประเพณีของของคนไทยเวลา โดยพผู้ชายเนี่ยเ ม, ม, ม, ม, มื่อเมื่อมีเมื่อมีเมื่ออายุตโตสักหน่อยเนี่ยอยากจะมีชาวความรูม้ที่ทําไงเด็กอายุเจ็ดแปดวกอยากจะมีชาวความารู้ทำยังไงสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนก็ต้องเข้าวัดนะเข้าวัดนี่ก็ไปอยู่กับหลวงพอ่อไปอยู่หลวงพอ่อหลวงพอ่งพอท่านก็สอนกอขอกอกาสมัย น, นั่นสมัยนั้นอาจจะมีคอมพิวเตอร์จินดามี เอาพูดง่ายคือสอนเรื่องเกี่ยวกับภาษาให้อ่านออกเขียนได้แต่ไม่ได้สอนเท่นั้นะยังสอนเรื่องคุณธรรมสอนเท่านั้นไม่พอ้ น, นต้องบวชบวชเนรบวชพระและท่าในจะได้สอนอย่างอื่นด้วยไม่ให้สอนเรื่องอาชีพเรื่องวิชาความรู้ที่ทํำให้คงกับพันชาตรีเท่านั้นสมัยก่อนคนก็ไปเข้าวัดก็อย่างนั้นด้วยวิชาความรู้ที่ทำให้เป็นคงกับพันชาตรีแต่ว่า ไปเรียนรู้เรื่องคุณเพราะันนั้นเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อบวชออกมาแล้วเนี่ยก็จะพอศึกออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นทิศทิศคืออะไรทิศคือบัณฑิตทิศคือบัณฑิตนะสมัยที่บัณฑิตจบปริญญาตีใช่ไหมสมัยก่อนทิศคือคนที่ผ่านการศึกษาในวัดจบแล้วเนี่ยถึงจะแต่งงานได้ถึงจะเป็นผู้นำครอบครัวได้ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เป็นทิศยังไม่บวชเรียนก็ พ่อแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกสาวของตนไปแต่งงานกับคนนั้นเพราะว่ามันยังไม่สุขคนคนนั้นยังไม่สุขก็คือว่านอกจากไม่มีวิชาวความรู้แล้วยังไม่มีคุณธรรมที่จะรับประกันได้ว่ามันจะเป็นผู้นาครอบครัวได้ดหรอือเปล่านี่ต้งมาเกิดเกิดมาพอสมควรนะเพื่อที่จะเห็นว่าอเวลาเราพูดถึงเรื่องครูเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ย ถ้าเราเราต้องเข้าใจรากฐานนะของความเป็นไทยความเป็นตัวมัออกของเราก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่ไปกับวิชาความรู้และคุณธรรมจนกระทั่งถึงจะเรียกถึงถึงสามารถจะบอกได้ว่าถ้าวิชาความรู้หาป่าศาจากคุณธรรมก็ไม่ยึดไม่ใช่เรียกว่าความรู้เห็นแท้จริง ขณะที่ตอนออกกาแยกขณะที่ตอนตกเขาแยกความรู้อย่างหนึง่งคุนทันทำก็อย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เวลาพูดถึงความรู้วันนี้ทำไมาจะพูดถึงความรู้ในความหมายกว้างก็คือว่าความรู้เกี่ยวกัเรื่องชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยจากรัเหลือไม่ได้ ที่จะสอนศิลปไม่ว่าจะมาเรียนวิชาปูนปั้นมาเรียนวิชาหล่อพระมาเรียนวิช า, าดนตรีจะมาเรียนวิช า, าเศษปล่าวัตถุมงคลผู้ให้คงกระพันชาติก็าตามสิ่งสำคัญจะต้องควบคูมโดยเสมอคือ ก, การเรียนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมถาว่าคุณธรรมนี่คืออะไรเนี่ย คุณจะถามยรยมาคิกว่ามันมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ความความดีงามอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนะที่ดีงามและมีความสุขการดำเนินชีวิตที่ดีงามและมีความสุขอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาความรู้นะแล้เดี๋ยวให้ให้เราให้เราให้เรา เราเลือกไว้ในใจนะว่ามันมีวิชาวความรู้อยู่สองอย่างซึ่งในฐานะที่เราเป็นเป็นนักนักศึกษาหรือเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าวิชาวความรู้สองอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปอันนึงก็คือวิชาวความรู้เกี่ยวกับการทำงาหกากินนะซึ่งไปสู่วิชาชีพอันที่สองคือเป็นวิชาวความรู้เกี่ยวกับชีวิตเพื่อที่ทําให้ชีวิตนี้มีความสุขแล้วก็เป็นไปอย่างดีงาค พูดตรงไปตรงมาวิชาวิชาที่เรากำลังเรียนในมหาวิทยาลัยเวลาเียวิชาทารัดแพทย์เนี่ยมันเป็นวิชาเกี่ยวกับการมาหากินโดยตรงก็ว่าได้นะครับตอนนี้หลายคนต้องลแล้วว่าจบไปแล้วนี่จะได้เงินเดือนเอนเท่าไหร่หรือว่าจะมีรายได้วันละเท่าไหร่บางคนอาจจะคิดเป็นชั่วโมงแล้วก็ได้ว่าจะมีรายได้ชั่วโมงละเท่าไหร่และนี่คือเป็นเรื่องวิชาเกี่ยวกับการทำมาหากิน หรือเป็นเรื่องวิชาชีพไม่ต่างจากไปเรียนบัญชีไม่ต่างจากเรียนรักศาึกษาไม่ต่างจากเรียนหมอไม่ต่างจากเรียนสถาปัตย์วิศวะพวกนี้เป็นเรื่องวิชาเกี่ยวกับธรรมะอักขินซึ่งสำคัญนะแต่ว่าเราจะต้องไม่ลืมอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตซึ่งยุบลงโยงเป็นเรื่องจิตใจด้วย ถ้าเรารู้แต่เรื่องวิชาธรรมะกินแต่เราไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตเราไม่มีหลักการเรื่องชีวิตเราจะมีความสุขหรือเปล่าเพราะเราก็พบใช่ไหมฮะว่าคนที่มีเงินล็อกมากเนี่ยคนที่รวยมากๆเนี่ยที่ฆ่าตัวตายก็เยอะและต้องพูดและโดยสถิติแล้วยิ่ ง, งสถิติคนที่ มีความเครียดจนฆ่าตัวตายมากขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีในเมืองไทยหรือที่ที่ไหนทั่วโลกเนี่ยมันจะจำนวนของหรืออัด ส, ส, ส่วนของคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามสัด ส, ส่วนของการศึกษาที่เจริญมากขึ้นประเทศที่มีการศึกษาไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ คนจบปริญญาตรีไม่มากเท่าไหร่คนจบมัธยมไม่มากเท่าไหร่นี่ลสังเกตว่าจะมีการค่าตตัวตายน้อยแต่คนที่มีวิชาความรู้สูงประชากรโดยฉเฉลี่ยมีจบปริญญาตรีมากนะญี่ปุ่นสวีเดนอเมริกาเมืองไทยก็เหมือนกันนะยิ่งเรียนสูงมันไม่จะเป็นว่าจะต้อง ทำให้สัดส่วนการา่าตัวตายมากขึ้นเสมอไปแต่ถ้ายิ่งเงยนสูงแล้วแต่เป็นการเรียนแต่เฉพาะในเรื่องวิชาธรรมะกินแต่ไม่ได้เรียนเรื่องวิชาเกี่ยวกับชีวิตและจิตใจแล้วเนี่ยโครงการที่จะแก้ความทุกข์ของตัวเอง<ม>ก็จะทำได้ยากทีนี้เนี่ยเรื่องวิชาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตสคัญ อาตอมาอยกจะเล่านะเรื่องของครูคนหนึ่งนะแกเป็นอาจารย์สอนวิชาปราัชญาในะมหาเทลัยแห่งหนึ่งวันแรกเลยเนี่ยชั่วโมงแรกที่แกมาสอนเนี่ยชั้นะเรียนได้กว่า น, นี้นะฮะแทนที่จะเลคเชอร์นะวิชาปราัชญาแกจะขนลังมาลั ง, งแล้วมาวางไว้หน้าหน้าโต๊ะในลังนั้นเนี่ย มีขวดโหลอยู่ขวดโหลหนึ่งใหญ่ๆประมาณเท่าขวดใส่กาแฟาใส่กาแฟาเป็นคอไอเนสกาแฟอนี่นะขวดใหญ่ๆเลยนะครูทำยังไงฮะก็เอามะ น, นาวเนี่ยใส่เข้าไปในขวดโหลทั้งทีละลูกทีละลูกทีละลูกจนจนเต็มแล้วครูก็ถามนักศึกษาว่า เ, าเต็มหรือยงังนักศึกษาบอกเต็มแล้วครับ ต่อมาครูก็เอากรวดเนี่ยมาใส่ในขวดโหลขวดขวดเดียวกันกันแหละใส่เสร็จแล้วก็ขยาวเพื่อให้กรวดเนี่ยมันมันแทรกไปทุกทุกส่วนทุ ก, ก, กช่องว่าของขวดโหลนะถามเราสารเต็มได้ยังถ้าสารเต็มนะครับแต่มันยังใส่ ใส่ได้ในนั้นในกล้วโรนั่นแหะมีทั้งมีทั้งมะนาวมีทั้งกล้วยใช่ไหมก็ยังใส่ทรายได้อีกนหยอดทรายลงไปนักยนยาวเต็มหรือยังทักสาวลัดเต็มแล้วครับนักสาวพังงงเหงื่ออาจารย์มัไหทีนี้อาจารย์ยังไม่เฉลยอาจารย์เท ของที่อยู่ในขวดโหลนั้นออกมาใส่ไว้ในหลังแล้วทีนี้เริ่มต้นใหม่แต่ใส่อะไรก่อนทรายใส่ทรายลงไปก่อนใส่ทรายจ้เต็มขวดโหลแล้วถามนักสาวว่าเต็มไหมเต็มไหมครับอาจารย์ที่ถามต่อว่าไอ้ขวดโหลที่ขวดโหลนี้เนี่ยถ้าจะใส่ทรายถ้าจะใส่ครวดใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมนักสาว ไม่ได้ใช่ไหมใส่มะ น, นาวลงไปได้ไหมไม่ได้ทีนี้ดันฉเฉลยแล้วมะ น, นาวนี่คืออะไระควรรู้นี่คืออะไรควรรู้นเปลี่ย น, นชีวิตของคนเรานะมะนาวเนี่ยมันเปรียนเส ม, มือนสิ่งที่สำคัญในชีวิตซึ่งไม่สามารถจะขาดได้ เพราะท่าขาจะทำให้ชีวิตว่างเปล่าไม่มีความสุขสิ่งนั้นก็ได้แก่ครอบครัวหนึ่งมิสหายสองสุขภาพกายสุขภาพใจความสุขนะคุณนำความดีอาจจะรวมไปถึงสิ่งศักิก์สิทธิ์ที่เรานับนถะือไะเป็พุทธคริสอลามครอบครัวมิสหายแนะความสุขกายความสุขใจแลนะคุณนำความดี ขาดไม่ได้นะชีวิตเรานะแล้วปลัวมันคืออะไรกลดก็หมายถึงสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดำเนินไปได้ตามปกติเช่นอาชีพ ก, การงานรถยนต์บ้านคนเะนี้ยมันทำให้ชีวิตเราได้ดดดปกตินะอุปรโทราศาพัพท์มือถือก็ได้นะนะกล้อง แล้วซายเนี่ยายมปนสิ่งที่มันทำให้สิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งละอันพลัน้อยในชีวิตนะซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีก็ทำให้ชีวิตมีสีสันะเช่นงานดีเลยการไปช้อปปิ้งคนะวามบันเทิงหรือว่าฟุปเปรนะนะอร์มรก็ตารีย ทำไมถึงใส่ใส่มนาลงไปก่อนเพราะถ้าใส่มนาลงไปก่อนแล้วเนี่ยมันยังก็ยังใส่กรวดได้และยังใส่ทรายได้อีกนะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราเอาทรายใส่ก่อนมันจะใส่กรวดมันจะใส่มนาไม่ได้อีกเลยห <Yeah. S 1> มายความว่ายังหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ย yeah. ก่อนอื่นใดเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราเปรียบเสมือนกับมะนาวใ้ความสําคัญกับครอบครัวพิสหายแต่ถ้าเราให้ความสําคัญกับสิ่งจิ๊บจ่อยก่อนไม่ให้ความสําคัญกับอาชีพการงานให้ความสําคัญกับบ้านให้ความสำคัญกับรบววาาถจนสิ้เปลี่ยนันกวนแล้วเนี่ยคุณก็มีทางจะใส่มะนาวได้เลย หรือถ้าเราสนใจในเรื่องทริปจอยในชีวิตเนะี่ยการช้อปปิง้งเอาเวลาของเราเนี่ยไปช้อปปิง้งเอาเวลาเราไปเทียเท่ยวเตยสนุกสนานยี่สี่ชั่วโมงอยู่ในเรื่องนี้ยกไปเวลาหลับเวลา น, นอนและชีวิตเราจะไม่สามารถจะรับหรือบรรจุสิ่งที่ดีคุณค่าได้อีกเลยนะอาจารย์ท่า น, น้ต้องการสอนอะไรให้เรารั้งใจระดับความสำคัญ ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเราไม่สามารถจัดระเบีบความสําคัญในชีวิตได้เราได้ความสําคัญกับบ้านไห้ความสําคัญกับอาชีพการงานเรื่องเงินเรื่องทอ ง, อ ง, องสุดท้ายครอบครัวแตกแยกสุดท้ายก็ทะเลาะกับทะเลาะทะเลาะกับเพื่อนเพราะว่าขัดขังขัดขวางผลประโยชน์หรือว่าไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือว่าทํางาน เอาแต่ทํางานจนกระทั่งป่วยสุขภาพกายก็แย่สุขภาพใจก็เครียดอธิค่าดัตายกันมากเพราะว่าไปให้ความสําคัญชีวิตไม่ถูกต้องให้ความสำคัญกับคะแนนอย่างนักศึกษาหมอไทยในกรุงเทศบางคนเนี่ยให้ความสำคัญคะแนนมากพอสอบพ อ, พอสอบตกหรือว่าพอได้ ไม่ต้องได้เอฟนะแค่ได้ดีเนี่ยหรือว่าได้4หรือว่าพอรู้ว่าสงสัยจบสปีจบสามปีขึ้นไม่ไดไ้ต้องจบถึง4ี่ปีค่าตัวตายตัวตึกมาทันทีที่สอบเสร็จแล้วรู้ว่า2ไม่ได้ไม่สามารถจะจบภายในสปีขึ้นได้เป็นค่าตัวตายคือให้ความสาคัญกับไอซีนี่เป็นกรวดนะ จนกระทั่งมันเป็ใในบาดทอชีวิตจิใจตัวอัตัาเชื่อเนี่ยคือปัญหาของเยาวนชนคนรุ่นใหม่ที่จริงบนทั้งทั่วๆไปในยุค ป, ปัจจุบันที่ไม่สามารถจะระดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตได้ในชีวิตเรามีสิ่งที่ใหญ่หมดเลยครอบครัวมิสหายนะสุขภาพกายสุขภาพใจอาชีพการงานคนะแนนนะบ้านเรือน โทรศัพท์มือถือช้อปปิ้งบอลโลนะ่ทุกมันมันเต็มเข้ามาในชีวิตของเราโดยพราะในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นนี้เนี่ยจะมีปัญหาบ้าคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมีมปัญหายเยอะเพราะไม่มีโทรศัพท์มืถือไม่มีโทร ท, ทัศน์นะพวกเรามาอย่างชนตะบนนี่ย้อนสายเราไปยี่สิบปีเนี่ยก็คงจะรู้ว่าชนตะบนก็ไม่ค่อยมีอนะ มันม่มีมันไม่มีอะไรที่เข้ามาประดังประเด็จกรรามาในชีวิตที่ต้องเลือกมาปัจจุบันิี่มันมันเข้ามาในชีวิตเดิมเห็นแค่ว่าจะเลือกซื้อรองเท้าเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็ม่รู้จะเลือกอย่างไรเพราะมีเยอะทั้งหมดปัญหาคือเราต้องจัดระดับความสมพันธ์ในชีวิตให้ถูกนะกระดับจัดระดับความสำคัญชีวิตถูกแล้วชีวิตเราจะจัดเจออะไรได้ ก็หมายความว่าผูนะ้เทศเป็นรูประทาคือว่าในกานที่เราเปน็นักศึกษาเนี่ยเราเรียนเรื่องเรื่องอเรื่องความรู้นะเรื่องวิชาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่เราอย่าลืมเรื่องที่มันเป็นมันเป็นสาระสำคัญของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้ด้วยนะชีวิตนี่มันขาดอะไรมันสําอะไรสิ่งที่มันสําชีพ เราจะได้รู้สึกนั้นคือคุณธรรมเราจะได้สึกนั้นว่ามิสหายเราจะได้รู้สึกนันว่าครอบครัวเราจะได้สรู้สึกนั้นว่าคุณงามความดีเรียนเกมนนะแต่ไม่มีเพื่อนครอบครัวแตกเล้าหรือว่าเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากพบหาถามว่ามีความสุขไหม เพราะแล้วเนสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องให้ความสําคัญกับวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับชีวิตนะซึ่งคนสมัยก่อนก็เรียกสิ่งนี้ว่าธรรมะนะแต่พอรู้นผู้เริ่มธรรมะเนี่ยเราก็รู้ถึงวัดวังอาลามเหมนนะซึ่งหรือร้ถึงพระตุทธูปนะรู้ถึงพระแต่ที่จริงแล้วเนี่ยธรรมะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกคนด้วยมันหมายถึงการทําให้ ชีวิตอเราที่เดินไปในทางที่งดงามเบิกบานมีความสุขคนล้วกะมีความสุขได้อย่างไรความเข้าใจของคนสมัยนี้เนี่ยโดยพาะนยุค ป, ปัจจุบันซึ่งเราเรียกว่ายุคอุตุนิยมเนี่ยจะมีความสุขก็ต้อง มีเศษมีบริโภคนะมากมีเงินที่เยอะถึงจะมีความสุขใช่ไหมฮะแต่เราก็ต้องถามตัวอะจริงๆว่าจริงหรือเปล่าว่ายิ่งมีมาก่งมีความสุขยิ่งเอาใส่ตัวมากากจะมีความสุข เราลองมองอีกมุมนหนึ่งนะว่าการที่เราให้ก็มีความสุขเหมือนกันความสุขที่เกิดจากการให้เนี่ยบางทีมันดียิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากการเอาเข้าตัวทำไมคนสมัยก่อนเนี่ยถึงสอนให้รู้จักให้ทาน เด็กเล็กๆในชนบทเนี่ยถูกสอนถูกพ่อแม่สอนแล้วที่จให้ทานเพราะว่าการให้เนี่ยมันคือบอกเกิดของความสุขเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขทางวัตถุแต่เป็นความสุขทางจิตใจเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมื่อปีที่แล้วเนี่ยตมาจัดโครงการจิตอาสาเชิญชวน คนห น, นุ่มสาวเนี่ยไปทำงานอาสาสมัครไปทำงานอาสาสมัครหลายแห่งเลยหลายที่มีที่นึ่งก็คือไปนวดเด็กอ่อนเด็กที่ถูกทอดทิ้งมองทำอะไรมีการกทอดทิ้งเด็กเยอะนะแล้วเด็กพอถูกทอดทิ้งแล้วเนี่ยพอถูกทอดทิ้งแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครุ้มเด็กก็นอนที่บ้านส ง, งเคราะห์ปากเก เรื่องเด็กถูกทิ้งนี่ก็เป็นประเด็นนะเราทราบนะมาครับมีเช็ตมีช่วงไหนที่เด็กถูกทิ้งมากที่สุดดูนะประมาณตุลาพฤศจิกาพอมาเป็นก้าวตือนหลังปีใหม่ในบริเวณไทยพอถึงวันนั้นเนียพวกที่ทำ ง, งานเกี่ยวเรื่องเด็กเช่นสาธารณสุขที่ที่ก็เป็นตัวรับเด็กถูกทิ้งตามยบาลไนดะ้แล้วเขาถูกทิ้งเราเด็กถูกทิ้งเนี่ยเขาก็มาไว้ตามศูนย์เนี่ยเด็กสงเคราะห์าเด็กแล้วก็ ก็เด็กก็นอนอย่างนั้นไม่มีใครมาอุ้มแล้วก็เลยจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งก็คือหาอาสาสมัครมาอุ้มเด็กเป็นนักศึกษาบ้างเป็นคนทํางานแล้วบ้างเสาร์อาทิตย์ก็มาอุ้มเด็กหลายคนเนี่ยไปอุ้มเด็กเนี่ยก็คิดว่าเออือไปไปช่วยเด็กไปสงเคราะห์เด็กหน่อยสงสารมันเพราะเด็กนี่ถูก<ๆ>นอนอย่างเดียวเลยหกจ็เดือนแล้วบางทียังยังยังยืนยังไม่ค่อยได้ปีกว่าแล้วยังเดินไม่ค่อยถนัดเลยก็ม พ่อเด็กเด็กนอนอย่างเดียวไม่มีใครพูดเป็นประมช่วยสอนให้เลย ม, มีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนแล้วปรากฏว่ากินยาตลอดเวลาแต่พอกันไปนวดเด็ก น, นะทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ น, นนะนวดไปสักสามสี่ครั้งแกบอกแกลืมกินยาเลยไมยเกรนมันหายไปเลยปวดที่หายไปเลย โอ้เจ้าไอ้นี่แกเห็นเลยแล้วว่าไอ้การการช่วยคนเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขได้เห็นเด็กยิ้มได้เห็นเด็กเขาเขาเขามีความสุขแล้วพอเราที่พอเราเห็นคนก็มีความสุขไงและเป็นความสุขที่เกิดจากความเอื้อเฟื้อเกิดผลผลขอ้า ง, งหลังเนี่ยเราจะรู้จิกรู้จักรู้สึกปลื้มเฟรมติดติ ไอ้ความเพิ่มไปปรีดเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมันทาให้เกิดสารเคมีที่เรเียกว่า endorphin e n นี่ก็ทําให้อาการปวดบัรจารหายไปหลายคนจะบอกว่าเออไปช่วยไปนวดเด็กทีแรกนึกว่าเด็กเขาจะให้อะไรเราเพรากว่านึกว่าเราจะให้อะไรเด็กมากมายเพราะว่าเด็กให้อะไรเรายเยอะเลยมีคนห น, นึ่งนี่ไปปลูก ป, ป่าที่วัดอตมาในวันแม่สิบสองสิงหารายการเดียวกัน แล้วบอกวั น, นแรกๆที่จะไปไปไปปุกป่าเนี่ยรู้สึกพอบเหี่ยวมากเลยเห็นปา่าเนี่ยมันถูกทำลายปา่ามามเสื่อมโทรมเห็นต้นไม้ต้นหนึงอยู่โดนเดดอยู่กลารทุ่มรู้สึกว่าตัวนี้ทําอะไรไม่ได้เลยแต่บ่าความสุขใจมันเหมือนกับเป็นหญ้าต้นหนึ่งเป็นหญ้าที่พร้อมจะถูกพร้อมจะถูกเหยียบเป็นหญ้าที่ไม่มีไม่มีน้ํายา แ่ เ, 7, 9, 10, นนะแเขาจะได้ปลูกป่ากับคนเจ็ดสิบตาสิบคนสองวันนะแกบอกเขาสิจะเปลี่ยนไปแกไม่ใช่ยากนะแกเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นที่โตคือรู้สึกถึงนี้รู้สึกถึงการได้มีพลังขึ้นมาหมายในชีวิตจากการที่เราได้ร่วมมือแต่ทำอะไรบางอย่างแล้วสุดท้า ม, มันมีพลังจิตมันมีพลังตรงนี้เนี่ยเป็น เป็นเป็นอนิสงส์อย่างหน่ของการทํางานการช่วยเหลือผู้อื่นและสิ่งนี้คือความสุดที่คนสวายนี้อาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่เห็นไหเราลืมไปแลว่าการช่วยผู้อื่นเท่าไหร่นี่มันก็เป็นการช่วยเราด้วยคุณนี่เราควรไนที่สุขคุณนะแคเป็นเป็น พิธีกรทาสารคดีและการโทรทัศน์เกี่ยวกับเด็กๆ น, นีคราวนึ่จะเล่าให้ฟังแกไปทำสารคดีในต่างจังหวัดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็มีคุณคุณป้าเนี่ยถือปลามาตัวใหญ่ๆสองสมตัวถึงปลาถือปล า, ามน ก, ก็ทับทายทันทั้งกล่กองถ่ายเส็จแล้วคุณป้าก็ถามว่า น, นี่หนูรู้ไหมปลาเนี่ย ทำอะไรกินได้นานๆคนในกองถ่ายก็นั่งคิดกันใหญ่ทำอะไรทําะไรจะกินได้นานเอาไปหมกักเอาไปตาดแห น, นเอาไปใส่ตู้เยน็นคุณป้าบ่าพิดเอาไปแจกเพื่อบ้าที่วงถึงท่านหนูเอาไปแจกเพื่อบ้านทวถึงนั่นแหละหนูจะกินได้นาน กาแล้เมื่อเรามีปลาเราไปแจกให้คนอื่นะถึงเวลาคนอื่นก็มีปลาก็ก็มาแบ่งให้เราบ้างนะ น, นี่มออย่างทนะี่แกตัวที่สุดนะไอการช่วยผู้อื่นเนี่ยก็คือการมาช่วยกลับมาที่เราผูนะ้เจ้าตรัสบอกวนะ่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขผูนะ้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขเนะพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี่ยคือสิ่งที่ ที่เราควรจะเรียนระู้ว่าความสุขนี่มันไม่ได้เกิดจากการที่เราเอาข้าตัวเยอะๆนะแต่ความสุขเกิดจากการที่เราให้เพราะเมื่อเราใหนะ้นอกจากมันเป็นการสร้างมิตรภาพเสริมสร้างส ม, มรรธภาพทำให้เรามีเพื่อนเยอะแล้เนยะมันจะเป็นการลดละความยึด ต, ตัวความยิดความอยากของเรา คนเราทุกเนี่ยเพราะความอยากนะหลวงพ่อช้างเขาบอกทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากนะคนเราเนี่ยพออยากเมื่อหล่นก็ทุกและยิ่งมีความอยากมากๆเนียนะมันก็ทุกมากเพราะเวลาเรา อ, อยากเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้นะมันต้องมันก็มีแรงขับ ให้ความอยากมันเผาลราจิตใจให้เราต้องต้องผักต้องเดินไปข้างหน้าต้องไปเผาไปแยกกับเขาไปแข่งขันกับเขาได้มาแล้วถามว่ามีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขดิอาจจะมีความสุขไปเดือดปั่นแต่ก็ทุกต้องคอยดูแลรักษามันคอยหวงว่าคนจะขโมยไปหรือเปล่า ตอนไม่มีทอรสัพทือถือไม่มีรถนะไอความหวงความนิดกังวลนี้ไม่ค่อยมีเนี่ยแต่พอคุณมีโทรศัพท์มือถือแพงๆคุณมีรถคุณจะเริ่มรู้สึกความกังวลเหล่านี้มันเสียก็ต้องซ่อมยังไม่ต้องนับถึงการต้องหาเงินหาทองมามามาซื้อหรือมามาดูแลมันแล้วมีแล้วไม่ใช่มีความสุขยู่ไปนานๆก็เบื่อ เพราะว่าไอ้ของเรามันตบรุ่นเสร็จแล้วอยากได้รุ่นใหม่เรนนี้ก็ทุกขกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ารุ่นของเรานี่มันมันสู้รุ่นของเพื่อนไม่ได้บ้านของเราเล็กกว่าบ้านของคนอื่นคนเราเวลานี้เนี่ยแค่อยากก็เป็นทุกข์แล้วนะที่หนักกว่านั้ น, นคือว่ายากจะมีมากกว่าคนอื่น เราไม่ได้แค่อยากเลยเฉยๆนะเราอยากจะรู้เลยกับคนอื่นด้วยตรงนี้เนี่ยที่ทำให้คนเราทุกมากเันไหเนี่ยเนียนครพอเราอยากจะไอ้านอยากจะเอาเข้ามามากๆเนี่ยมันได้ก็ไม่จบนะมีคนหนึ่งนะฮยแกเป็นนักธุรกิจนะช่วงตอนปีศูนย์เนี่ยเกิดเศรษฐกิจวิกฤตินะคอบกิจการของ ของของคุณพ่อของนักธุรกิจคนนี้เนี่ยก็เป็นหนี้พันพันล้านบาทก็ไปเรียกธุรกิจคนนี้มาช่วยก่อผู้บริษัทบริษัทก่อสร้างภายในเวลาสามปีเนี่ยสามารถที่จะลดหนี้ได้เร็วมากเลย นี่เป็นพันล้านบาทหมดนี่ภายในเวลาาปีที่ 4-3 เนี่ยบริษัทหมดหบบนี้ปี 4-6 บริษัทมีกำไรเพิ่มเป็นหลายพันล้านสินทรัพย์ของบริษัทในีประวัตทั้ง1ม0 0นมือล้านแล้ววันหนึ่งคือคนอื่นที่น่าจะมีความสุขใช่ไหมแต่วันหนึ่งแกรู้สึกชีวิตแกไม่มีความหมายมาทำงนานก็มาทำงนานแบบแกน แกบอกเนี่ว่าผมมันก็แท่เสร็จยี่หมื่นล้านคนนึงเพราะในเมืองททยมันต้องห้ารยคนผมมันแค่เสริญยี่หมือนล้านคนเดียวคนมหน้านคือมีเงินงเป็นเป็นหมื่นล้านเนี่ยหมดนี้หมดสิน ม, มีกำไรมากมายไม่มีความสุขนะแต่ว่าแทนที่แกในอินทร์จะทำต ร, รงนี้ แทนที่แกจะป่อยแกแต่วาแกกลับไปดิ้นรนไปเป็นนักการเมืองตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรว ง, นงในรัฐบาลปัจจุบันแล้วแตมาชื่อวจะ แ, แกบอกว่าแรกที่แกรู้คุณทักษิณบอกว่าจะได้เป็นเป็นรัฐมนตรีช่วยแกมีความสุขมากเลยสุขมากที่สุดในชีวิตแต่แตมาเชื่อว่าตอนที่แกคงจะคงจะทุกข์แล้วลนะ่ะเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยมันก็ มันก็เท่านั้นมันเป็นรัฐมนตรีประจากระทรวงแล้วได้เป็นรัฐมนตรีประกระทรวงแล้วมันแลวกระหมือมาสูงนะแต่แต่มาเชื่อว่าอีกไม่นานก็ถูกอีกพ่อเป็นรัฐมนตรีประจากระทรวงเกรดดีหรือเกรดซีมันต้องเป็นเก็นเอสิไม่ใช่ก็เนี่ยชืวอตมันไม่จบไ้เสิ้นนะเพราะความยากเนี่ยพะความยากเนี่ยมันถ้าเราไม่ไม่ควบคุมความยากดีนะชีวิตเราต้องวิ่งวิ่งเรื่อยไปเหมือนคนหนีเงาเหมือนกับคนหนีรองเท้ารอยเท้าตรเนี้ เนี่ยนี่คือเหตุผลทําไมศาสดาทูกศาสดาเนี่ยศาสนาทุกศาสนา ถ, ถึงบอกว่าเพราะให้เราจับให้ต้องสลักเพราะการสลักมันจะช่วยเอาให้เราปล่อยวางแล้วก็รู้ถึงความพอดีความพอเพียงสิ่งที่ในหลวงพยิ阳ยพูดอยู่เสมอเนี่ยเสรษฐกิจพอเพียงชีวิตพอเพียงคืนนี้คือชีวิตที่ไม่ต้องถูกกระตุ้นด้วยความอยาก รู้จักพอใจในสิ่งที่นีแล้วมีความพอดีและช่วยเหลือคนอื่น ด, ด้วยนต่ตรงนี้สำคัญและต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้จะต้องเห็นความจำกัดของวัตถุเมื่อสองปีก่อนนี้เราถ้าใคร เ, เคยอ่านในสื่ไทยละนี่จะมีภาพหัวจะมีชมพงภาพหัว พ่อค้าเลขคนหนึ่งแกถูกแับ ต, ตัวในวันที่นี่งแกซื้อหลายใบยได้หนึ่ล้านบาทโอ้โหมีความสุข ม, มากเลยนะลองดูถ้าเราได้ถูกหว่า20ล้านบาทจะเป็นยังไงมันก็สวรรค์มาโปรดเลยนะแต่ดึงเงื้อต่อมาใครรับท่กากับเขอีกหน้าหอนอ่งสนใจว่าพอค้าตคนนี้ส้นยาพิษเขาตัวตาย ทำไมถ้าตัวตายเพราะพอได้เงินแล้วชีวตมันยุ่งยากกว่าเดิมคนมาขอคนมาสารพัดมาอ้าวเป็นญาติ้าวเป็เพื่อนแกก็ให้กันเอาไว้สามล้านให้แต่ให้แล้วก็คนก็ไม่พอใจก็ยังทุกข์ก็ยังมีคนมาต่อวัวนอีกมีคนมาขอมีคนมาโทรศัพท์มาขู่ว่าจะฆ่าแกกับภรรยา แต่ก็เลยเครีนนนยนอ่ะกินยาฆ่าตัวตายแต่ลูกสาวช่วยให้ทันทนั้นซู่ซิงก็ไปสัมภาษณ์แกก็บอกไปโย น, นบอกว่าแกบอกนี้นะน่าสนใจว่าตอนที่เป็นพ่อค้าเล่หาช้อกินค้าเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนๆ อาชาพินเขามีความสุขตอนที่เป็นเศรษฐีเศรษฐี20ล้านแอ้เรื่องนี้เนี่เหมือนกับเหมือนกับในอเมริกาเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยมันมีคนถึงถูกลอตเตอรี่รักตัวเนี่ยได้ประมาณ 3-4 ล้านดอลาลาร์ก็มาณพันพันสามร้อยพันสี่รอยล้านบาทและหลังจากนั้นมาชีวิตแกไม่มีความสุขเลย ผัวสามีเนี่ยก็กลายเป็นขี้เล่าเพราะเอาแั่เที่ยวเตะได้นนเนี่ยแล้วก็เที่ยวเตะสั่นๆเรียอยทำม า, าทิ้งไวก็เสเพเบรนิโภกนะพอไม่รู้จะตายเมื่อไหร่สุดท้าย่าชีวิตไม่มีความสุขบางแตกสแลกซ์ขานะคืออันนี้ที่เราเรียกว่าเขาเยกว่าทุกขลามั้เ น, นี่ย เราต้องลองไต่ตรองดูนะฮะว่าไอ้การที่เรามีเงนินมากๆถามว่ามันทำให้ชีวิเราไดความสุ ข, ขหรือเปล่าการมีเพื่อนการมีมิตรสหายมากเนี่ยการมีคุณงามความดีในใจต่งางหาก ท, ที่เป็นที่มาแห่ความสุขและจะมีความสุขได้เราต้อ ถ, ถ้าเรามีปัญญามีปัญญารู้จักปัญญาเนี่ยคือรู้จับแก้ทุกข์ได้ ปัญญาได้หมายถึงนอ้อมใจเห็นความจำกัดของทรัพย์สินเงินทองแล้วเนี่ยว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กีรั ง, ย, งยั่งยืนแล้วเนี่ยปัญญาไดหมายถึงความรู้เท่าทรรใเนียมีสีแล้วก็สามารถที่จะแก้ทุกข์ได้สามารถเปลี่ยนเคราะให้กลายเป็นโชคได้อันนี้ว้องใส่มมองที่กว้างและต้องใส่สติ คุณเจ้าสตีฟจ็อบส์นะฮะสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อบ์ Steve John. Steve John เป็นคนคิดไอคอนคุณรู้จักไอคอนนะ็อบ์นที่จริงเา เ, า, เาตั้งมาก่อนดนะันั้นเขาคิดเขาคิดเเป็นคนก่อตั้งบริษั Apple. Apple ทแ p ป l e a ล p l e นี่คือบริษัทอ่อทำคอมพิวเตอร์นะแอปเ macintosh นะี่แกตั้งบริษัทอาเมานะเสร็จแล้ววันดีคืนดีแกก็บริษัทนี้ก็ขยายใหญ่โตนะแล้ววันดีคนีก็ถูไล่ออก จากบริษัทแอปเปิลลองดิ้งดูอุตสาห์อุตสาหสร้างบริษัทโดยโด้ว ย, ยนำมักนำพัด น, ำ, นำแรงเพินอเสรแล้วก็ถูกไล่แต่หลังจากผ่านห้าปีเนี่ยแกบอกบอกว่ า, วานัา่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของ<ด><ด>แกถูกไล่ออกจากบริษัทแอปเปิลทำไมเพราะว่ามันทำให้แกเนี่ยได้ไปเริ่มสิ่งใหม่แล้วแกก็ไปตั้งบริษัท พิกซาพิกซาก็ทำประตูนทำกระตูะตลลนแอนิเมชั่นเน่เช่นท o y s o ยสตหลายเรื่องเลยอนะพิกซาแล้วต่อหลังก็ทาแกกับมาแล้วต่อมาแกก็มาทำา i p ฟนแกอกว่าแกอยู่ Apple เนี่ยตรงหนแกทงานตันแต่การที่แกถีบออกมาจากแ p p l e เนี่ยมันทำให้แ ก, กได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วคนเวลาเลื่เรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่เกลงไมันไม่ต้องไปแบกความสำเร็จ ท, ที่ที่มีมาในอดีต แกอยากเปิดแก Green, mm. กินเพราะมัเร็จมาจนถ้าไม่รู้จะไปจะไปต่ อ, อยังไงแต่กพอมาเริ่มต้นสูงหม่ที่พิซซ่าเนี่ยผมจนะทออาําอะไรได้ย่อยๆเน่ยแล้วแกก็ทำไอโฟนออกมาเน่ยบอลเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดในชีวิตแกการที่ถูกถีบออกมาจาก Apple นะคือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยวนะ่าไอสิ่งที่สิ่งที่มันแย่ๆกับเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีก็ได้มันอาจจะเป็นโชคที่เป็นชว่วงห่าพรามันก็มี คนนึงเนี่ยนะแกอายุหกสกว่าเปน็นนักธุรกิจแล้วแกเบ็นโรคหัใจแกยายแกหยากแกหยาดหยาดับภรรยาต้อเป็นรคหัวใจรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายพาแล้วพาก็ไม่ดีขึ้นคนะวบคุมควบคุมอาหารก็ยังไม่เท่าไหร่เร็จแล้ววันหนึ่งแกก็มาดูแกก็ม า, าอ่านเขาพบว่าคนที่เป็นโรคหัวใจมันไม่ใช่เกียวกับออาหารอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ เรื่องความเครียดความเจรีดาการงานความรู้สึกเหงาว่าวเวโดดเดี่ยวแล้วแกรู้สึกเอ้ยมันตรงกักเลยเป็นคนที่ไม่ไม่เอาใครครอบครัวก็ภรรยาก็อยู่ไม่ได้ต้องแยกกันลูกก็ไม่มีแกเป็นกเป็นคนเป็นคนที่ตัดตัวเองกับผู้อื่นเป็นคนที่ไม่เอาใครแกก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคงเป็นสายอย่างนีม่แกเป็นลูกหัดใจ แ ก, แก่แก่เนี่ยแกก็ออกไปสัมพันธ์กับผู้คนไปช่วยทํางานอาสาสมัครไปทํางานทางสังคมทําสมาคมอะไรต่างๆในชุมชนของแกแก็กลายเป็นคนที่มีมีมีมีมิสหายมากขึ้นปพราะบว่าโรคหัวใจมันมันรุนเเทวไปเยอะเลยแกบอกว่าโรคหัวใจหายได้เพราะใจแกมันเปิเปด ใจจะเป็นเปิดคือเปิดเข้าหาผู้อื่นไม่ตัดตัวไม่เรียนโดดเดียวและแกกับผมกันนะว่าการที่แกไปหลุดหัวใจมนเป็นสิ่งที่ดีสุดในชีวิตของแกอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะทำไมปไปไปหลุดหัวใจแกก็ยังเก็บตัวอยู่ไม่รู้จักเข้าหาผู้คนไม่รู้จักสร้างมีตสร้างพบความมิตรสหายการที่คนเรามีสมรรถภาพที่เพื่อนร่วมงานผู้อื่นมันช่วยให้จใจดีขึ้นนี้เงินเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขนะท่านทั้งหลา ถ้ามันไม่ดีเพื่อนไม่มีมิสหายที่ดีเนี่ยเพราะฉะั้นเนี่ยนี่การแกร้รการที่เราพลแกรบหัวใจในชีวิตหมายถึงเป็นโชคอมพรานได้เหมือนกันเพราะฉะเราไม่รู้นะบางคนบางคนเนี่ยเศรษฐกิจวิกฤตตกงานหรือว่าสอบตกนะหรือว่าดีทายเนี่ยอย่าไปเสียใจอย่าไปทอนนะะถ้าเราอย่าไปอย่าไปตันกับสภาพที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้น ลองถอยตัวออกมาแล้วก็มองออกไปมองออกไปเราจะเห็นได้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้มัน này, ก็สตทธิจอบเนี่ยแกก็เรียนไม่จบหมหาวทยาไรัรบิลลีเกลก็เรียนไม่จบหมาหาวทยาลัยการที่สองคนที่ไม่จบหมหมาวิทยาลัยนี้ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นโชคอําพรานนะเพราะว่าทำให้เขาเนี้สามารถที่จะทุ่มเทกับ การผลิตคอมพิวเตอร์ได้ซีนจอกก็มาทำเนื่งฮาร์ดแวร์บู l ์เกียก็ไปทำเรื่งซอฟต์แวรอันนี้เนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันต้องอาศัยมุมมองที่ถอยตัวออกมาจากสถานการณ์และบางทีทำไมเรานี้ตั้งสติได้บางส่วนเกิดจากการมองชิดในในใ น, ในเชิงบวกต่อตมา จัดอบรมประชินความตายอย่างสงบเมืนะม่อสองเดือนก่อนเขมาจากที่ให้ยังที่คณะแพทย์โรงยาบางที่ศรีนครินเมื่อปีที่แล้วมีเปจ่ายให้ที่โรงพยาบาลท่านใจมออบลมความตายอย่างสงบประชินความตา ย, ยางสงบเนี่ยควาชื่อหน้ากลัวนีแต่ว่าจําเป็นมาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนคนที่ป่วยหนักแล้วก็ตา ย, ยาทุรนทุรายไม่มีเยอะไม่ใช่ตายเพราะทุรนทุายแต่ตายเพราะจิตใจมันมีความทุกข์ตายเพราะยังปล่อยวางไม่ได้ ก็จัดการอบรมขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลืผู้ป่วยในเวลาสุดท้ายให้กับคนที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้ป่วยให้กับพยาบาลอบรมเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นการทดลองไปสาธิตไปเป็นอาส า, าสมัครเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมอหันใหญ่ที่ครูจูหลิงยูตอนนี้กำ ล, ลังรักษายอยู่อาส า, าสมัครคนหนึ่งเนี่ยก็ไปเยี่ยมไปเจอเด็กคนหนึ่งนะอาส หัวแกนี้นะไม่มีผมลักส้นเลยแกโดนฉายแสงสถามไปถามมามก็จะเป็นมะเร็งที่สมองแต่แกได้ยินยันจ่มสายนากเลยอาสาสมัครคนนั้นก็เลยถามซักไปซักมาก็บอกว่ า, วาเนี่ยแกโชคดีแ ก, แกบอกแกโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปัู๊โเพรกะว่าญาติแกเป็นมาปวดมากเลย จะบอกจะโชคดีที่ได้แทนมาเลสมองเม่อเด็กยสิบสี่นะอันมณ์ขึ้เนี่ยก็คือการมองแบบามีธรรมะเหมือนกันคือการมองในเชิงเล้ากุศลและการมองแบบนี้มันทํำให้เราเนี่ยมันมันไม่ทุกขนะ์ส่วนใหญ่เวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรมาขึ้นมาเนี่ยเราจะทุกข์ทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นเงินหายแล้วบาป ก, ก็รู้ว่าทําไมต้องเป็นชั้น โทรศัพท์หายทําไมต้อเป็นชั้นแฟนเช้งทําไมต้องเป็นชั้ น, แ, น, น, ต น, นแต่เราไม่เคยถามว่าทําไมจะเป็นชั้นไมด้คนหนึ่งเขาก็หายนกลามีคนหนึ่งแต่ทําโทรศัพท์มือถือหายนเะพิ่งซื้อมาสองหมื่นจมบ่แทนด้วยแกเลือดไปหาหลวงพ่อหลวงพ่ อ, อ, บ, อบ้านอในใาวัด อ, อยู่ไกลๆบ้านหลวงพ่อมาเรียนเกจิอาจารย์ไปหาทำไมไปห้หลวงพ่อนี่ช่วยช่วยบอก ช่วยช่วยนั่งทางไหนเนี่ว่าจะหาเจอไหมหรือว่าจะไปหายเอาที่ไหนลุงพ่อถ้าไปถามได้แต่คาเลยนะว่าโทรศัพท์ที่ห่ อ, อไหหายที่ไหนวันไหนกี่โมงลุงพ่อถ า, ถามว่ามีทองไหมมีครับเอออีกไม่นานก็หายมีลุ่นนะมีครับเอออีกไม่นานก็หายมีแซนนะมีครับเออนี้ไม่น า, นานก็ไปเจอเสร็จแกกรามพ่อเ่ยสามทีแล้วไปเนี่ย คือไม่ไม่ใช่กลัวว่จะโดนแช่งต่อนะแต่แก็ได้คิดขึ้นมาว่ามือโทรศัพท์หายที่เป็นหนึ่งจิ๊บจอยเเพราะต่อไปต้องเจออะไรอีกมากมายที่ต้องหา ย, ต, หายต้องพลรดาคือเข้าใจว่าเป็นธรรมดาของชีวิตนะ่ะนะความสูญเสียความพลาดพลาดเป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อความเจ็บความป่วยความตายแต่คนเราไม่ยอมรับตรงนี้แต่หลวงพ่อนี่มาทําให้เขาเนี่ยได้คิด ก็ถึงไม่ทุ่มนะอาจจะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าวันนี้โทรศัพท์หายยังโชคดีที่ไม่หายาาไปบัตรข้าวไปตังนี้อบางทีก็ต้องมองเงินกันนะเงินหายไ้บัตยังดีกว่าโทรศัพท์หายหรือโทรศัพท์หายกั็นดีกว่าการชิงอะไรเป็นต้นวปวดโรคกระเพยาะ ย, ยังดีกว่ายังดีกว่าเป็นมะเร็งเมือ่อที่เด็ก ไอ้สนะิเนี่ยพูดเป็นมะเร็งสมงองยิ่งดีกว่าเป็นมะเร็งานนู่นอันเนี้ยคือคือต้องอาศัยปัญญาเลยะและนี่แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความรู้อย่างในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งรับปัญญาในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและมีความสุขนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถจะเรียนได้จากวิชาความรู้ตามหลักสูตรนะคบางทีอาจจะไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ในห้องเรียน แต่เราสามารถจะเรียนรู้ได้จากครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมนะที่มีหน้าตาตูนนะที่มีความจัดเก็นในชีวิตและสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาไม่สอนกันในชั้นเรียนนะฮะแต่จะสอนกันเมื่อ่าพูดคุยกันหรือเรียนรู้จากการที่ได้เห็นครูบาอาจารย์ได้ทําให้เป็นแบบอย่างนะเมื่อความเสียสละนะ อย่างอาตอมาเนี่ยเรียนในโรงเรียนอาสัมพันธ์ชนซึ่งเป็นโรงเรียนของนักบวชศาสนาคริสต์เนีก็ได้เรียนรู้เรื่องความเสียสละจากนักบวชแ้วกจากครูบาอาจารย์ซึ่งเสียสละมากและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มันจรไม่ได้สอนในวิชาในในในชั้นเรียนอาจจะสอนบ้างในวิชาศิลปธรรมแต่มันไม่ประทับใจมันไม่ประทับใจเพราะมันเป็นแค่ถ้อยคําหรือตัวหนังสือ แต่เราได้ไร้รู้จักจากชีวิตจริงของครูเนียซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้สอนในชั้นเรียนด้วยยัางมีครูคนนึ่งเนี่ยอายุ70อสจารย์สัมชัญจะมีชื่อว่อาเรื่องความตรงต่อเวลาใครที่มาสายนะจะต้องถูกลงโทษลงเรนสัมชัญเปิดปิดเปิด เ, เรียน8โมง20นาทนะีถ้าใครมาสายนะ จะถูกลงโทษบางทีเนี่ยผู้ปกครองของเด็กนะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรธกิจเป็นพระหลัดกะทรวงเป็นรัฐมนตรีก็มีแต่ไม่มีอภิสิทธินะถ้าถ้าลูกของคุณมาสายนะลูกมุต้องรับได้รับโทษแล้วบางทีอาจารย์คนเนี้บางทีก็เล่นงานพ่อเลยว่าทำไมพาลูกมาสายพ่อจะใหญ่แค่ไหนนี่ ครูไม่สนใจนะีมาสายคือมาสายถุกลูกลูกคุณต้องถูกลงโทษแล้วคุณก็อาจจะถูกดาด้วยซ้ําว่าทํำไมไม่พาลูกมาตรงเวลาคือเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็สึกว่า ค, <NE> ครูครูนี่เป็นสำคัญครูนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใครทั้งหมดเลยแล้ะนี่คือสิ่งที่เรื่อความความซื่อตรง ต, รงต่อหน้าที่ไม่มีกลัวนะความซื่อตรงต่อหน้าที่ม <S <S ไม่กลัวอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนแล้วครูคนนี้ก็ไม่ได้สอนในชั้นเรียนนะ ไม่สอนทำไมฉันเองแต่เราเห็นตอนเด็กๆเราเอานร้อกันด้วยความข่มขันเวลารอบหลังนะฮแต่เรื่อยๆเราก็เราก็เราก็เคารพแล้วก็ศรัทธาว่าเนี่ยเมื่อเราซื่อตรงกับหน้าที่แล้วไม่ต้องกลัวและจะมาเชื่อคนอยางอาจารย์ปวยอาจารย์ป ว, า จ, าปวจบจากเรยนนี้อาจารย์ปวยเป็มา ก, ก่อนคนท เด่นมาในความซื่อสาตย์สุจริตไม่กลัวแม้กระทัางมันจอนเสร็จซึ่งเป็น น, นอออายกรัฐมนตรีจะออกก็ออกจะเป็นผู้รักการแร่งชาเนี่ความซื่อสาสุจริตเป็นสิ่งที่เราเรียนเราไม่ได้เรียนจากพ่อพี่ชามาสอนด้วยวาจาแต่เราเรียนจากการที่เข้ามาปฏิบัติให้เราเป็นแบบอย่างอันนี้คื อ, ค อ, ว, คอวิชาวความรู้อย่างหนึ่งนะ เกีบเรื่องชีวิตนะซึ่งในเวลาคัญมากเพราะนั้นเนี่ยก็อตาตมามีเวลาไม่มากแต่ก็อยากจะอยากจะย้ําให้พวกเราได้เห็นนะว่าจริงอยู่วิชาวิชาชีพเกี่ยวกับอาชีพการงานก็สําคัญนะมันเป็นเรื่องการทํามาหากินนะมันเป็นเรื่องที่ทํำให้เราสามารถที่จะมีความภูมิใจในตนเอง และสามารถที่ช่วยสังคมได้เป็นคํนรมชาติแพทย์ช่วยได้เยอะเลยนะชาวบ้านเนี่เพราะบ้านนอกเนี่ยเขาก็ทุกเราก็ช่วยเขาได้วิชาชีแพแทย์เปวิชาที่ประเสริฐเพราะทําให้คนเนี่ยพ้นจากความทุกข์แต่ถ้าเรารู้เรื่องวิชาความรู้เกี่ยวกับชีวิตเนี่ย นอกจากเราจะช่วยเขาในเรื่องของในเรื่องของของร่างกายแล้วเรายัางสามารถจะช่วยเขาในเรื่องของจิตใจได้คนป่วยบางคนน่ะก็ไม่มได้ป่วยตายนะมีคนนึงเนียไปหาหมอปวดหัว ความดันขึ้นปวดท้องเงอยืดเยอมากรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายไปตรวจเท่าไหร่ก็ไปเจอกั น, นปกติในร่างกายหมอนี่ก็งงนะแล้ววันหนึ่งหมอก็เลยถามไหนคุณลองเล่าประวัติคุณให้ฟังสิ<ม>เขาก็เล่าประวัติหมอก็ไปสุดใจตอนที่เขาบอกเขาเกลียดและเขาน้อยใจที่ที่สาวที่ทิ้งเขาไม่ช่วยอะไรเขาเอยตอ น, นเด็ก แม่ก็ไม่มีที่สาวก็แม่ไม่ช่วยเขาเกลียดทั้งน้อยใจหมอบอกผมจะช่วยคุณนะมีมยาที่ช่วยคุณได้นะคือให้ไรที่สาวทีแรกเขาไม่เชื่อนะะผู้ป่วยไม่เชื่อแล้วก็หายไปเลยนะะปีนี้ผ่านไปก็าเขียนจมายมาหาหมอคนนี้บอกทีนที่เ็าหายป่วยนะฮะหายป่วยก็เข้าไปขออภัย ไปให้เขาเองเขาได้เขาเขียนจดหมาย ใ, ให้อภัยที่สาวปลดเครื่องความเปื้อไปริตใจพอปลดเครื่องเสร็จหายป่วยนะเนีวความเจ็บป่วยบางทีมันไม่ได้มาจากกายมาจากใจเนี่ยคนที่เป็นแพทเนะี่ยจะต้องตระหนักตรงนี้ด้วยแล้วถ้าเรารู้เรื่องวิชาวความรู้เกี่ยวกับชีวิตนะเราจะส่งข้อก็ได้ทั้งการทั้งใจ อาจารย์ปรเวสก็สีนะเรารู้จักท่านเป็นรัฐบาลลำดุษฎีท่านเป็นหมอทางด้านโลจีวิทยามีคราวหนึ่งเนี่ยนักนักนักสาวแพทนี้พาผู้ป่วยผู้ป่วยนี่ต้องต้องขึ้นขึ้นเปลมาเลยนะหามาเลยนะตัวเซินเลยไม่มีเยอะไม่มีแรขนาดต้องขึ้นเปลมาอาจารย์ปรเวสท่านเป็นหมอทางด้า น, านโลจีนี่ก็ตัวตู ตัวดูสักพักท้านก็บอกตัาก็คุยกับ่านสาห้ว่าไม่มีอะไรรอกผมจะเป็นผิดคจะเป็นพราะญาติที่อยาปตักขอนะเดี๋ยวให้เล็กนะไม่กี่วันก็หายผู้ป่วยได้ยินนะผู้ป่วยลุกขึ้นมาเลยเข็นเปยเลยบอ ก, กถ้าเป็นแค่นี้ผมไม่ต้องใช้เปนเนย์เลคือตอนที่ยังไม่รู้อาการส ผูป่วยไม่มีเรื่อง ม, มีแล้วเลยไม่มีเรื่องหรืมีแล้วที่จะเดินมาหาหมอแต่พอรู้ว่าไอ้ที่เัวนเป็นเนี่ยมันไม่มีอนะไรมันแค่ขาดขาดขั้นเหล็กกินเหล็กไปก็หายพอรู้ว่าตวมันเป็นไรที่จิตใจมันดีขึ้นเนะียพรจิตใจดีขึ้นมีรูป ม, มันจะเพริเลเลยเนะนี่ยนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวเรื่องชีวิต จ, จิตใจด้วยนะซึ่งตอนเลือกแพทย์มีสำคัญที่ต้องรู้ ถ้าเรารู้เนี่ยแน่นอนเราจะเป็นทันตแพทย์ล้วก็สามารถจะช่วยอะไรได้เยอะเลยออัตมาจะจบด้วยการท่าน คนถึงเขาตั้งคำถามง่าย่เราเนี่ยนะเราลองตั้งคำถามดูเขาบอกว่าให้เราลองนึกชื่อคนที่รวยที่สุดในประเทศหรือคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยมาสัก5้าคนนึกออกไหมคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยหรือคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยบางคนอาจจะนึกได้ยเจมเนี่ยแต่ว่าคนอื่นนึกไ่ อ, อนะลองนึกลองนึกนางงานจั ก, กรวาลห้าคน ล่าสุดมีใครบ้างนึกออก น, นะนักทยาศาสตร์นั ก, น ก, ษษษษษนกที่ได้รางวัลโนเบลนะสาขาฟิสาาิกส์ยุทธศึกษาแพทยศาสตร์ก็ได้ห้าคนมีใครบ้างนึกออกคือเม่ให้ออนะนึกลองนึกคนที่ได้นักรา ง, งวัลทุกความดีเด่นของโลก มีใครบ้างห้าปีที่ผ่านมาอาจจะนึกได้แค่อนนันดินโดเนี่ยนนนะที่เรลยอนึกไม่ออกแต่ถามหมายว่าถ้าเราลองนึกถึงคนที่มีอิทธิพลในชีวิตเราห้าคนนึกถึงเพื่อนที่เราจะอยู่ด้วยหรือมีความสุขที่ได้พบปะพูดคุยด้วยห้าคนนึกออกนะนึกถึงครู ที่มีอิทิพลต่อต่อชีวิตเราเนี่ยห้าคนนึกของเราะมาช่วยวทุกคนนีกนึกของถึงแม้จะยังไม่ได้ไม่เคยนึกมาก่อนแต่พอให้นึกก็คงจะนึกออกนึกถึงคนที่เขาที่เราประทับใจในความดีงามห้าคนนึกของ 2องคำถามนี้เขาเขาถามเราทำไมสั้นนะคือเขาเราลสังเกตนะไม่ว่าใครคนเก่งคนรวยเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเราน้อยแต่คนดีคนมีเมตตาคนที่เอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลต่างหากที่มีความหมายต่อชีวิตของเราเราไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนนะ คนมันก็ลืมเราคนก็ไม่รู้จักเราแต่ถ้าเราเป็นคนดีโลกอาจจะรู้จักเรานะแต่อน้อยเนี่ยมีคนอยู่มีคนอยู่เป็นสิบเป็นร้อยที่เขาจะประทับเราไว้ในความทรงจําของเขาแม้เราจะตายไปเขาก็ยังจําได้คนที่เด้เรางวัลโนเบลตายไปแล้วก็ไม่มีความหมายกับเราเลย แต่คนนี้มีความหมายกับเราเป็นคนที่ก็ดีกับเราคนที่เขมีเมตตากับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนทุกวันนี้เนี่ยอยากจะเป็นคนเก่งคนรวยแต่เราลืมไปว่าไอ้คนที่มีความหมายที่สุดต่อผู้คนน่ยคือคนดีคนที่มีน้ําใจคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้แหละคือความจริงขางชีวิตที่เราจะเราควจะรับรู้เอาไวนะนน้นะครในขณะที่เราเป็น นักศึกษาและนี่เนี่คือความรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ที่ควรจะตำหนักไว้ก็ก็เชื่อพอสมควรจากเวลาแล้วนะฮะก็คิดว่าขอ ใ, ในทุกคนก็นักศึกษาทุกคนก็ขอได้มีกำลังใจในการศึกษาวิชาความรู้แล้วก็ขอให้ได้ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ของของทุกท่านเนี่ยไม่ใช่จาไม่ใช่จา ก, จากสิ่งที่ท่านพูดทสอนในวิชาเรียนแต่ว่าเรียนรู้จาก จาเจรียาวัดของท่านด้วยเมื่อได้เรียนรู้เฉพาะในเวลาในห้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าเรียนรู้ถึงจริยวัดของท่านคุณธรรมของท่านนอกห้องเรียนด้วยและตระหนักด้วยว่า น, นี่แหละคือกำไรของการเป็นนักศึกษาและนี่แหละคือความหมายของคำว่าเสร็จใครูมาขอจิตให <c oughs> ้นี้แหละกระโดงแน